เดิมทีเรามองไปบนท้องฟ้าครับดาวทุกดวงคือเทพเจ้าเราเรียกพระอาทิตย์พระจันทร์เ mm. พรากกว่าไอแซคนิวตันเนี่ยสร้างกฎแรงโน้มถ่วงขึ้นมาเนี่ยสั่นคลอนความเป็นสวงสวรรค์บนท้องฟ้าทั้งหมดเพราะสุดท้ายดวงดาวไม่ใช่เทพเจ้าเราสร้างดาวของเราได้ซึ่งก็คือดาวเทียมไง You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears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 พูดถึงดวงดาวนะคะก็คงจะนึกถึงสิ่งที่อยู่นอกโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงดาวเทียมเนี่ยจริงๆมันก็อยู่นอกโลกเหมือนกันแต่ว่ามันทํางานกลับมาที่โลกของเราเนี่ยมากกว่าที่เราคิดอีกนะคะวันนี้ใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์ชวนไปดูดาวแต่ว่าไปดูดาวเทียมกันนะคะเช่นเคยคุยกับฟางรัตทารจิพนานะคะและผมปองแปงอ่านว่ารงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับค่ะต้องเริ่มแบบนี้พี่ปองแปงดาวเทียมคืออะไรก่อน คือแบบเราก็ได้ยินคํานี้มาตลอดนะแต่จริงๆมันคืออะไรแล้วมันทําหน้าที่อะไรอยู่ดาวเทียมเนี่ยชื่อก็บอกแล้วครับว่ามันเป็นดาวเทียมเป็นวัตถุที่มนุษย์ประดิษฐ์ที่อนนั้เขาส่งขึ้นไปโครจรรอบโลกเพื่อจุดประสงค์ต่างๆใช่จุดประสงค์ที่ว่าเนี่ยก็มีหลากหลายตั้งแต่เพื่อช่วยในการระบบสื่อสารช่วยในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติช่วยในทางอาจจะเป็นเหตุผลทางการทหารอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนะครับ บางทีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนํารอ่องทั่วเรือเดินสมุทรเครืร่องบินอะไรพวกนี้หรือแม้แต่การสํารวจดาราศาสตร์ดาวเทียมสํารวจดาราศาสตร์เช่นดาวเทียมเทสทีเ s สอย่างเงี้ยก็เป็นดาวเทียมที่เขาส่งออกไปเพื่อสํารวจอวกาศนะฮะคื อ, ค อ, ค อ, คอการศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ผมอธิบายนิดนึงว่าหลายคนอาจจะงงว่าทําไมไม่ตั้งกล้องโทรทัศน์อยู่บนโลกอะไรก็ส่งขึ้นไปก็ส่งขึ้นไปก็ เ, เห็นสั่งส่งดาวเทียมทําไม อันนี้มีมีไอเดียไหมครับคิดว่าพราะอะไรฟังว่าหรือว่ากล้องเรามันไม่ดีพอปะะ่ะคะหรือว่ามันไม่ใกล้พ อ, อความใกล้ความไกลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส่งผลน้อยมากเลยคือคือจากเราไปถึงดาวครับมันห่างเป็นประมาณแบบล้านล้านลาน้ลานกิโลเมตรอย่างเงี้ยขึ้นไปเหนือผิวโลกแค่แบบ 3-400 กิโลเมตรมันมันน้อยจนไม่ส่งผลอะไรนะสาเหตุจริงๆที่เขาส่งดาวเทียมไปสำรวจเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเพราะว่า กล้องโทรทัศน์บนโลกเนี่ยมีปัญหาใหญ่สําคัญอ ย, อย่างหนึ่งก็คือว่าชั้นบรรยากาศมักจะรบกวนการสังเกตอยู่เสม อ, อบางครั้งฝนตกบางครั้งไมฆ เ, เยอะต่อให้ฟ้าใสจริงๆนะครับเวลาเรามองเห็นดาวท้องฟ้ากระพริบเนี่ยนั่นเป็นผลที่ชั้นบรรยากาศมันรบกวนแสงจากดาวนะอ๋อจริงๆคือตัวดาวมันไม่ได้ไม่ได้ปิดต อ, อย่า<อ>ดวาวมันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เลยแต่มันกระพริบแบบเนี้ยเพราะว่า ฉันบรรยากาศของเราเนี่ยมันเหมือนมันทำตัวเหมือนเลนหลายๆชิ้นพอเลนพวกนี้มันขยับไปขยับมาจากความร้อนความอะไรปั่นป่วนอะไรต่างต่างเราเลยเห็นดาวกระพริบและไอการกระพริบเนี่ยจริงๆริงนักดาราศาสตร์ไม่ค่อยชอบด้วยเพราะมันคือการรบกวนการสังเกตก็เลยต้องส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกเพื่อให้เห็นชัดชัดทําตัวเนียนเนียเป็นอีกดวงดาวนึงเพื่อไปศึกษาสิ่งนั้นอีกทีหนึ่งแล้วจริงๆพูดคําว่าดาวเลยครับน้องฟังพูดคําว่าดาวเราสามารถเห็นดาวเทียมจากบนโลกได้ด้วยนะบางดวง หมายว่าถ้าเราถ้าเรามองท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยบางทีสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ดาวจริงๆหรอถูกต้องเหรอแต่อาจจะเป็นดาวเทียมแต่มันไม่ได้ถึงขั้นว่าเออเห็นเราแยกไม่ออกหรือแบบว่า oh. อุ๊ยเราจะสับสนอะไรขนาดนั้นหนึ่งคือโอกาสเห็นดาวเทียมก็ไม่ได้มากเท่าเห็นดาวที่เป็นกลุ่มดาวประจําแต่ถ้าเราเห็นดาวเทียมเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นจุดสว่างบนท้องฟ้าเหมือนดาวเลยแต่มันจะวิ่งเป็นเส้น ชัดเจนคือเป็นเส้นสว่างที่แบบชัดเจนชัดเจนเลยเป็นเส้นเคลื่อนเป็นตรงๆไปอย่างนี้คคนบางทีเห็นด้วยตาหรือถ่ายรูปเห็นก็อาจจะคิดว่าเป็น UFO มนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนั้นไปไม่ใช่ครับโอเคค่ะแล้วทีนี้ไอ้ดาวเทียมดวงแรกของโลกเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไงใครเป็นคนปล่อยแล้วมันทำหน้าที่อะไรพี่ปองไป ที่เราเรียนกันมาเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็จะรู้กันดีว่ า, าประเทศแรกที่ส่งดาวเทียมสําเร็จก็คือสหภาพโซเวียตนะแล้วชื่อของดาวเทียมนั้นก็คือสปุตนิกหนึ่งมีชื่ออยู่ในศิลิบัมของการเรียนอยู่ใช่เป็นภาษาซบรัชเซียเนอะทีนี้จุดประสงค์ของการส่งดาวเทียมเนี่ย<ๆ>เขาก็พูดมาอะนะครับว่าเพื่ อ, อสํารวจเก็บข้อมูลชั้นบรรยากาศอะไรว่าไปนะ แต่จริงๆทุกคนก็รู้กันดีว่าเหตุผลที่เขาส่งดาวเทียมและพยายามส่งให้ได้เป็นชาติแรกเนี่ยมันเป็นเหตุผลเชิงแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพอืขึ้น โ, โชว์พราวอวดว่าฉันเก่งก่อนโชว์พราวว่าฉันเนี่ยเยยึดพื้นที่ได้ก่อนนะเอ้ยฉันมีดาวเทียมนะฉันอาจจะสอดแนมเธอได้นะอะไรพวกนี้ฉันเหนือฉันเหนือฉันอยู่บนฟ้าแล้วใช่คือในยุคนั้นเนี่ยสองมหาอํานาจก็คือสหรัฐอเมริกากับสหภา พ, าพโซเวียตเนี่ยนะครับก็ อยู่ในยุคที่เรียกว่าสงครามเย็นหรือโคลวอลในยุคนั้นเนี่ยเขาก็แข่งขันกันเขาเรียกว่าสเปซเรสก็คือแข่งขันกันด้านอวกาศแบบดุเดือดมากมนะรัสเซียก็พยายามส่งดาวเทียมขึ้นไปหน้าฉากบอกเก็บข้อมูลบรรยากาศอะไรอแต่จ ร, แจริงๆแล้วจริงๆก็คือแบบขม่ขมกันข่มกันยูริกักรินเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะมนุษย์คนแรกที่ถูกส่งขึ้นไป โ, โครจรรอบโลกซึ่งก็เป็นสภาพโซเวียตเหมือนกันอันนี้ก็ส่งเป็น ชาติแรก อ, อเมริกาเลยไม่ยอมไงมก็เลยต้องแบบว่าส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ให้ได้อะไรเงี้ยทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของศัพท์ดาวเทียมนี่เอเราก็จะนึกถึงจรวดนึกถึงยานอาวกาศ อ, อะไรเงี้นะคะมันต่างกันยังไงกับดาวเทียมหรือว่ามันทำทำงานต่างกันยังไงเอะถามได้ดีมากนะครับจริงๆไม่ใช่แค่น้องฟางนะครับหลายๆคนทั่วไปคนทั่วไปเลยอะ่ะก็สับสน3คํานี้อดาวเทียมจรวดยานอาวกาศเอาอย่างนี้ก่อนเลย ผมบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ใช้สร้างแรงขับดันเพื่อส่งอะไรก็ตามออกนอกโลกเนี่ยอันนี้เรียกจรวดพอจรวดขึ้นไปถึงสภาวะนอกโลกแล้วเนี่ยนะฮะมันปล่อยอะไรออกไปมันอาจจะปล่อยดาวเทียมก็ได้ ม, มันอาจจะปล่อยยาน อ, อกวกาศก็ได้ทีนี้ตัวดาวเทียมเนี่ยถ้าถูกปล่อยออกไปแล้วโคจรรอบโลกแล้วก็อาจจะเรียกว่ามันเป็นดาวเทียมนะแต่ถ้าถูกปล่อยออกไปแล้วมัน มันออกไปนอกโลกแล้วไปสำรวจสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่โลกของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยานอวกาศหรือ Spacecraft แปลว่าไอ้ตัวจรวงเนี่ยเป็นตัวพาทุกคนเดินทางออกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะไปทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ตัวเธอไปใช่อค่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวพาออกไปซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าจรวงเนี่ยพอส่งดาวเทียมหรืออะไรออกไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะถูกทิ้งให้เป็นขยะอว ก, กาศไปเลยนะ อ, อก็จะลอยเคว้งคว้างก็ไม่มีใครไปเก็บ อ, อใช่ แต่ก็มีบริษัทแล้วก็พวกวิศวกรไพรเนีย er, เนี่ยเขาพยายามจะสร้างจรวดแบบที่ปล่อยดาวเทียมหรือยานอวกาศแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยจุดเชื้อเพลิงแล้วก็กลับลงมาใช้ใหม่ได้พวกนี้ oh. เป็นแบบ reusable ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยาการส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศในนาคต้นทุนก็จะก็จะถูกลงใช่ mm hmm. คนที่พัฒนาคนแรกๆ ก, ก็คุณอีลอนมัสแห่ง SpaceX oh. นี่แหละที่ทาให ที่ทำให้จรวดกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาเรื่องของดาวเทียมพี่ปองแปงเวลาเราพูดกันว่าดาวเทียมดาวเทียมเนี่ยการทำงานของมันมันมันคือทำงานยังไงมันไปโครจรได้ยังไงแปลว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถแบบทำได้ด้วยตัวมันเองไหมหรือว่าเราจากโลกมันต้องควบคุมอะไรบ่าคะพี่คือจริงๆเอาอย่างนี้ก่อนคำว่าดาวเทียมทำงานยังไงเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนมาก ะะมันเหมือนคําถามที่ว่ามนุษย์ทํางานอย่างไรร่างกายมนุษย์ทํางานอย่างไรมันเป็นคําถามที่ผมจะแยกแยะเป็นองคาพยพกีรส่วนเ อ, เอาเอาเอาเอาแบบไม่ซับซ้อนมาก <ฮะ S 1> เริ่มจากการที่ดาวทียมเนี่ยมันไปโคจรโดยที่ตัวมันเนี่ยไม่ตกลงมาได้ยังไงก่อนดีกว่าไหมอ่ามันใช้อะไรมาขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนที่ได้ตลอดอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรการเคลื่อนที่เลยนะครับมันอาศัยความเฉื่อยของมันความเฉื่อยถูกต้องก็ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยที่เราจะคิดว่าแก้วน้ําเนี่ยมันจะมีความเร็วหรือเคลื่อนไหวได้เราจะต้องใส่พลังงานหรือออกแรงให้มั น, มนควา้างมอ่ะเพราะพราะพอเราคว้างเสร็จปุ๊บอะฮะแก้มันก็ตกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันก็อาจจะแตกหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีใครออกแรงไปเก็บกวาดหรือคว้างมันใหม่มแต่จริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยถ้าเราคว้างแก้วออกไปอะเราไม่มีใครไปขวาง ม, มันแบบพื้นโลก แก้วเนี่ยมันจะพุ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดนะด้วยความเฉื่อยหรือความเร็วที่มันมีจา ก, จากเราไปอืมอืมนะหรือหรือการที่มันอยู่นอกเขาเรียกว่าอะอยู่บนอวกาศเนี่ยมันเกี่ยวไหมคะหมายถึงว่ามันมีอะไรที่ต่างจากการอยู่บนโลกไหมอ๋อเกี่ยวมากเลยเพราะว่าลองนึกภาพง่ายๆครับจ้าวดเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เไปคว่างดาวเทียมออกไปผมเปรียบง่ายๆในเชิงในเชิงเทคนิคไม่ใช่นะแต่ว่าอาจจะเปรียบง่ายๆว่าจ้าวดเนี่ยมันเหมือนคนที่เอาแก้ว ไปคว่างนอกโลกแล้วแก้วตัวเนี้ยแทนที่มันจะตกลงสู่ผิวโลกความเร็วของมันสูงมากจนกระทั่งโลกเนี่ยมันเหมือนโค้งหนีตลอดอเจ้าดาวเทียมหรือแก้วน้ํานั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีทางตกถึงพื้นโลกเลยแต่ตัวมันเนี่ยใช่แต่ตัวมันเนี่ยคือสิ่งที่พยายามจะตกถึงพื้นโลกตลอดฉันจะตกนะดาวเทียมบอกฉันจะตกแล้วโลกบอกฉันโค้งหนีความโค้งที่พอดีกันหรือใกล้เคียงกันเนี่ย ทำให้ดาวเทียมเนี่ยไม่ตกถึงพื้นโลกและไม่ต้องใส่พลังงานเข้าไปให้มันโครจรด้วยอเปรียบได้กับโลกของเราที่โครจรรอบดวงอาทิตย์เราไม่ต้องมีเครื่องยนต์กลไกอะไรไปบอกให้โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ต้องกลัวโลกไม่หยุดโครจรแน่แต่มันเกิดจากการที่โลกเนี่ยมีมีพลังงานบางอย่างในยุคที่โลกถือกําเนิด น, นะครับปุ๊บออกมาแล้วทําให้โลกมีความเร็วสูงมากแล้วดวงอาทิตย์ก็ดึงดูดไว้มันก็เลยโครจรด้วยความเร็วเดิมของมันไปเรื่อยๆ เ, เห็นภาพไหมเห็นภาพเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าคนที่เสนอไอเดียเรื่องเนี้ยคนแรกๆเลยนะครับคือคนนี้เขาจินตนาการได้ประหลาดมากเลยว่าสมมติเรามีภูเขาสูงมากสูงแบบสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์มากๆแล้วถ้ามีปืนใหญ่ที่ทรงพลังอย่างไรที่สิ้นสุดนะครับยิงลูกปืนออกมาเนี่ยพอยิงออกมาเนี่ยลูกปืนมันก็ต้องตกถึงพื้นโลกถ้ายิงแรงขึ้นมันก็ตก้ตกไกลออกไปแต่ถ้ายิงไปถึงจุดหนึ่งลูกปืนอาจจะตกที่อีกซีอกโลกหนึ่งได้โอ oh. เราไม่ต้องตกใจมันคือขี่ปนาวุธไงใช่ไหมแต่ถ้าเรายิงแรงมากพอเนี่ยลูกปืนเนี่ยมันอาจจะพยายามตกถึงพื้นโลกแต่มันตกไม่ถึงสักทีเพราะความโค้งของมันเนี่ยอย่างที่บอกทําให้สุดท้ายมันวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วมันก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อไอเดียเรียบง่ายเนี่ยเป็นเหมือนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่นํามาซึ่งการกำเนิดของดาวเทียมและผู้ที่คิดจินตนานการถึงปืนอภิมหาปืนใหญ่นะฮะนี้ก็คือเซอร์ไอแซกนิวตัน สี่ร้อปีก่อนเขาก็มีเวลาคิดนะแล้วก็ด้วยพลังสมองในระดับอัจฉริยะที่คนทั่วไปอย่างผมเองไม่มีทางแตะต้องหรือเอื้อมถึงเขาก็จินตนาการถึงสิ่งนั้นขึ้นมาอืมโหเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นมากว่าไอ้จินตนาการบางอย่างที่มันอาจจะดูแบบเหลือเชื่อแต่ว่าสุดท้ายมันกลายมาเป็นแบบของที่เราใช้เนาะแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกกับวิทยาศาสตร์เนาะแล้วเจ้าปืนใหญ่เนี้ยมันเปลี่ยนวิธีคิดมนุษย์ไปตลอดกาลนะ อันนี้เปลี่ยนมากๆเลยตรงไหนรู้ไหม <Okay. S 1> เดิมทีเรามองไปบนท้องฟ้าครับดาวทุกดวงอ่ะคือเทพเจ้าเราเรียกพระอาทิตย์ดาวพุธก็เทพเจ้าดาวพุธเมอร์คิวรีอะไรก็ว่าไป เ, เรามองว่าสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมีธรรมชาติแตกต่างจากสิ่งที่อยู่บนโลกหมดเลยแต่แนวคิดเรื่องปืนใหญ่เมื่อสักครู่เนี่ยลบรอยต่อระหว่างโลกกับสวงสวรรค์ไปทั้งหมดเทพเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเพราะเราเองก็สามารถสร้างเทพเจ้าของเราได้ ถ้าเรายิงปืนใหญ่ได้แรงพอสิ่งนั้นก็จะโคจรไม่ต่างอะไรกับเทพเจ้าที่โคจรไปรอบรอบเราถ้าเกิดว่าไอแซคนิวตันเนี่ยสร้างกฎแรงโน้มถ่วงขึ้นมาเนี่ยสั่นคลอนความเป็นสวงสวรรค์บนท้องฟ้าทั้งหมดเพราะสุดท้ายดวงดาวไม่ใช่เทพเจ้าเราสร้างดาวของเราได้ซึ่งก็คือดาวเทียมไงเป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ กลับมาตั้งคําถามกับความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันเคยมันเคยเหนือจินตนาการแต่ว่าวันนี้มันเอื้อมถึงได้ด้วยด้วยหลักของวิทยาศาสตร์เนอะน่ า, น, าน่าสนใจมากผมว่าอย่างนี้ครับฟังคือแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะมันมักจะย้อนกลับมาตอบความเป็นมนุษย์เสมอเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนั้นตัวมันค่อนข้า ง, า ง, างน่าเชื่อถือพออยู่แล้ว แล้วพอมันค้นพบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งครับอย่างที่บอกนะมันมักจะย้อนกลับมาตอบวิธีคิดบางอย่างของม น, นุษย์นี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าโอ้โหแค่แค่ยิงปืนใหญ่แล้วกลายเป็นสร้างดาวได้เนี่ยกลายเป็นว่าโอ้สวงสวรรค์เหมือนเหมือนเหมือ น, นถูกลบเลือนไปอยากลองชวนจินตนาการปิดท้ายอย่างนี้ดีกว่าพี่ว่าถ้าใครๆที่ฟังอยู่หรือว่าดูอยู่ ถ้าวันนี้ไม่มีดาวเทียมอมชีวิตเรานี่มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรหายไปบ้างโอ้ต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะสมมติว่ามนุษย์คิดดาวเทียมไม่ออกแล้วกันโอ้โหผมว่าเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างแรกเลยคืออ่ะเอาเรื่องไกลตัวก่อนเกีย่ยวกับดาราศาสตร์ความรู้ทางดาราศาสตร์อะไรมันจะลดลงเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็ส่งผลต่อ น, นักในใวิจัยละเราไม่เก็บข้อมูลได้น้อยมากอย่างที่สองคือสภาพภูมิอากาศเนี่ย เราจะต้องทำการเก็บภาคพื้นดินเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่พอเวลาเราจะพยากรณ์อากาศให้แม่นยำเราต้องมองจากท็อปวิวอะครับแล้วก็มองเห็นพายุเป็นลู ก, ลกอๆอ่ะมันเก็บบนด้วยเสาสัญญาณบนพื้นโลกมันไม่พอฮะพยากรณ์อากาศที่ความแม่นยำทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้แม่นร0อยอยู่แล้วถ้าไม่มีดาวเทียมเนี่ยผิดเพี้ยนแบบพิลึกพลั่นไปเลยอะนะแล้วก็การสารวจทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะยุ่งยากมาก เดิถ้าเรามีดาวเทียมเราอาจจะใช้การสํารวจจากดาวเทียมก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยเอาคนเข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่มีดาวเทียมโอ้โหเราต้องบุก ป, ป่าฝ่าดงไปหาทรัพยากรต่างๆนานาด้วยตัวเองตลอดเวลาแบบนี้สิ้นเปลืองครับทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็การสื่อสารต่างๆเนี่ยก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกรวมทั้งระบบนําร่องเรือเครื่องบินที่เดินทางระหว่างประเทศหรืออยู่กลางมาหาสมุทรเนี่ยนะฮะ มันไม่มีเสาสัญญาณมือถืออย่างเนี้ยก็จะโอ้โหความไม่ปลอดภัยทางการเดินทางนี่จะกลับมาอีกแล้วนะจากเดิมที่มนุษย์เราเนี่ยเดินทางรอบโลกไม่ว่าจะด้วยเรือสำราญเดินสมุทรนะฮะหรือจะโดยเครื่องบินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสบายใจเพราะว่ามันมีดาวเทียมคอยคอ ย, คอยรับคอยส่งสัญญาณตลอดอยู่ละอันนี้ยถ้าไม่มีดาวเทียมเนี่ยมนุษย์เราเหมือนย้อนกลับไปเป็นร้อยปีเลยจะลําบากมาก เชื่อว่าวันนี้พอฟังแล้วมอบกันบ้านใหญ่ให้พี่ปองแปงได้มาเล่าเรื่องยากๆให้มัน oh. แบบเข้าใจง่ายให้กับเราเนาะก็วันนี้เหมือนได้ไปออกทริปดูดาวเทียมด้วยกันนะคะเชื่อว่าเรื่องเราเนี่น่าจะทําให้ทุกคนเห็นภาพของจินตนาการใหม่ๆที่มันอาจจะมาจากนักวิทยาศาสตร์บ้างแหละหรือว่ามาจาก เรื่องต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันกลับมาทำให้ชีวิตของเรามันเหนือจินตนาการไปอีกนะคะก็ใดๆในโลกล้นฟิสิกส์ของเราก็ยังจะหยิบยกเรื่องราวแบบนี้มาคุยกันต่อนะคะก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็ใน YouTube Channel ของ The Standard Podcast เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับฟังแล้วก็พี่ปอกแฝงเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ The Standard Podcast i Opening For your ears.